ที่เราได้สาธยายพระสูตรบทต่างๆตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็ให้มีส่วนประกอบหลอยๆอย่างเพื่อให้เกิดสติปัญญาพัฒนาเก้าหน้าเรามีอาชีพสมประกอบอาชีพมีศิกก้าและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของเรา หรือวบันพิชิตในทำไ้ไหนนี้บันพิชิตคือผู้ที่เห็นภัยในวัตถะสงสารอา้ชัยนักปวดที่มีรูปแบบเพราว่าบนรนพิชิตคือผู้ที่เห็นภัยในชีวิตของเราเหมือนเรามีอาชีพพ่อแม่สอนลูก ให้ประกอบอาชีพการงานถ้าไม่ทำไม่มีอาชีพมันก็จะมีภัยความยากจนความลำบากต้องอดอยากต้องมีอาชีพกันทุกคนมีงานมีการทำดังที่เรามีกันอยู่ชาวไร่ชาวนาพ่อข้าราชการแล้วก็มีอาชีพ ชีพขเขาเขาก็มั่นใจพ่อค้าเขาก็มั่นใจว่าเขาจะไม่อดไม่ยากไม่ทุกข์ไม่ยากแล้วก็ลำดับลำนำการามาค้า ข, า, ขายมีความเพียรตลอดเวลาชาวนาก็ขยันหมั่นเพียรตื่นขึ้นมาก็คิดจะไปทำนาคิดจะไปทำไร วันหนึ่งวันหนึ่งก็คิดจะไปทำนาทำไรแล้วก็ไปจริงๆไปแล้วก็ประกอบการงานจริงๆด้วยการกระทำการกระทำมันจะสาเร็จถ้าไม่มีการกระทำงดแต่คิดอยู่ก็ไม่สาเร็จต่อขาแม่ขา ข้าราชการลำดับลำมานการงานของตนงานก็ไม่ข้างค่าสำเร็จนี่เราก็มีงานธรรมธูตเราได้ทำอะไรบ้างทางเจราสมาคมเขาอยากทราบเราต้องลาย ง, งานให้เขาทราบในช่วงนี่ปีหนึ่งเนี่ย งานที่มีความเป็นจริงยังไงเขาทำลายอยู่ที่ไหนเคยทำลายเขาอยากจะรู้แล้วก็เราเป็นอุบายชาเขาก็หลอกจะรู้ว่าบวชคุณบุตรปีหนึ่งมีกี่คนกี่ลูกมีกี่เนรแจ้งเขาทราบเขาจะได้ทำสถิธิว่า พระสงค์เกิดขึ้นรวบรวมแล้วในภาษาจีรูกเพื่อเป็นตัวเลขเอาไปกำหนดไปพิจัยว่ามันเสื่อมหรือมันจเจริญขึ้นคนมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาคุณลบุรออกวดปีหนึ่งเท่าไหร่นในว่างานทำไปแล้วสธิหาล็กเอาไปส่งแล้ว แต่ยังธรรมทูตนายจันทรงศินเป็นผู้ที่จับงานด้านนี้ต่อเนื่องแล้วก็มีการทุกรูปเราก็เห็นกันอยู่สำนักเดียวกันแล้วก็พยายามเป็นหูเป็นตาเป็นขาเป็นแขนเป็นสติปัญญาแทนการงานส่วนรวมมีส่วนร่วมนอกจากนั่งก็างานปฏิบัติธรรมเป็นศิกขารลตธรรมเนี่ย เรีกว่าภิกษุผู้เห็นภัยมีแน่นอนภัยกับชีวิตของเราเกิดเจ็เจ็บตายแน่นอนความหลงมีอยู่แน่นอนความทุกข์ก็มีอยู่ความลักความชังก็มีอยู่แต่ว่ามีความหลงอยู่งานก็ค้างไม่สําเร็จ แล้วก็วาลบความเพียรตะกองตั้งจิตไว้ใส่ใจเป็นประกอบถดถอยเห็นความหลงแบบเป็นงานของเราความทุกข์ที่มเกิดขึ้นก็ถือว่างานของเราเหมื่อกเราจนจะโยมจนโยไม่ได้จนตความทุกข์จนตความโกรธต้องตความโลภความหลง ไม่ใช่เราจะเป็นอย่างนั้นเราเป็นมนุษย์สมบัติพัฒนาให้เจริญขึ้นจากปุตุชนกลายเป็นกันลยาณปุตุชนจากกัลยาณปุตุชนกลายเป็นมนุษย์ออกจากคนเป็นมนุษย์กลายเป็นอาเรียบุคคลคนที่สุดถึง มักถึงผลเหงือการเกิดเจ็บเจ็บตายโน้นทางที่เราจะเดินไปอย่าไปประมาทในความหลงอย่าประมาทในความทุกข์อย่าประม า, ใามทามาในความโกรธอันและงานของเราเหมือนขนอดหยากงองมือเท้าไม่ได้ตื่นขึ้นมาจะกินอะไร มีอะไรกินจะได้มาจากไหนต้องเป็นอยู่อย่างนี้ชีวิตของสัตว์โลกไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ด้จากธ้งมาจินหรือชีวิตของเราก็มีสองส่วนส่วนกายส่วนจิตใจงานไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานล้วก็ต้องมีงานทำปาลุกควรเพียนต่อไปถึงสติ สัพชัญญะก็เรามีกายมีใจกายนี่ก็มีปัญหาทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษต่อเราได้มีใจก็มีปัญหาทำให้เกิดภัยต่อเราได้เราจึงมาดูว่าพระูตรสติปัฏฐานโสดมีสติมีเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนี่งานของเรา อย่าให้มันหลงกายอย่าเอากายมาเป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าเอากายมาเป็นสุขเป็นทุกข์นึ ว, ว่าหลงแล้วถ้าเห็นว่ากายสภาวะกายไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์วันใดมันเป็นสุขเป็นทุกข์มันพอใจไม่พอใจเกี่ยวกับกายที่มันแจ้งออกถอนออกมีสติมีสัมผัสตั้งไว้ดใดๆมัน หลงมันสุกมันทุกข์ต้องสติลงไปตรงนั้นมันมีอยู่ทุกชีวิตนั่นแหละภัยเล็กได้น้อยเมื่อมีภัยอย่างนี้มันก็มีภัยต่อไปเรื่อยๆอกุศลเราทกว่าเกิดขึ้นเรื่อยๆถ้ามีความหลงเป็นสุขเนทุกข์จึงพยายอมละอกุศลลธรรมคือมีสติไม่ให้เกิดขึ้นอีก ความหลงทาให้เกิดความรู้แล้วความทุกข์ทาให้เกิดความรู้แล้วอย่างนี้ละก็กุศลธรรมที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นอย่างกุศลลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้งอกงามไพบูวลยิ่งขึ้นมันก็งามได้ความหลงงามเป็นความรู้ไพลโวลขึ้นเป็นความรู้ความทุกข์งามเป็นความรู้ ทนเจ้ า, จาความทุกความหลงเรียกว่าภูมิใจจนจิตภูมิใจจนของเราให้เป็นไปเพื่อการถึงที่ถูกแทงกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้พ้นเจ้าความหลงพ้นเจ้าความทุกข์พ้นเจ้าความวิตกกังวลอะไรต่างๆถ้ามันพ้นไปนั่นแหละสิ่งที่เราทํากันอยู่ มีความเพียรคือกล้ากล้าลงปล่อยอย่ากเกียดข้านปลาลบความเพียรมีสติมีสัมชัญญะมีความรู้สึกตัวเรียว่าความเพียรถ้าไม่มีสติไม่มีสัมชัญญะไม่ใช่ความเพียรมีสติถอนความว่อยใจและความมากปอใจเรียกว่าความเพียรแล้ว ไปเกี่ยวข้องแล้วไม่ปล่อยทิ้งแล้วไม่ประมาทในกายไม่ประมาทในเวทนาในสุนัยทุก์ไม่ประมาทในจิตที่มันหลงมันคิดมันถูกมันทุกข์มันมีเกิดขึ้นหลายอย่างเหลือเกินทั้งกายทั้งจิตแล้วก็มีธรรมอย่าประมาทในธรรมบางทีมันเป็นอุปสนถ้าธรรมจริงๆรมันเป็นกลาง มันเพราะมันจะเป็นอกุศลและกุศลความเป็นกลางอย่างนี้เหมือนอพยากตาธรรมสุขกเวทนามันก็เป็นสุขทุกข์กัเวทนาก็เป็นทุกข์อพยากตาธรรมมันยังไม่ทุกข์ยังไม่สุขอย่าไปว่านอย่าไปเชื่ออย่าไปเฉยให้มีสติไปเกี่ยวข้องตั้งไว้ตั้งไว้ เรามาสุขก็ถอนออกมาเวลามัทุกข์ก็ถอนออกมาเราทอย่างนี้หรือว่าอาชีพมันก็จบได้มันก็มั่งมีได้ในความเจริญไพวุ่นงอกงามในธรรมที่เป็นกุศลที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเจริญว่าขึ้นจ น, นถึงมกถึงผลอย่างนี้ มันก็มีงานกันทุกชีวิตยอยู่ที่ใดก็งานอันนี้แหละแต่เราก็มาอยู่ร่วมกันเป็นกันลยกัมิตรกันเพื่อนกันอบอุ่นใจคนเขาโดยจงกรมคนนั่งทจงวามเพี้ยนเราจะนอนอยู่มันก็เป็นสิ่งเวดล้อมที่ดีทั้งได้ยินได้ฟังเป็นส่วนประกอบอพร้อยสูตรต่างๆมาสวดตอนเช้าตอนเย็น ส่วนรวมส่วนตัวรวมกันปฏิบัติปฏิบัติส่วนตัวไปทางด้านลำดับลำน ำ, ำให้เห็นแจ้งในกายในใจให้เห็นเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมอย่ามวัวแต่ปฏิเสธนั่งสงบไม่รับรู้อะไรก็ไม่รับรู้อะไรไมันจะเป็นสมัท t กรรมฐานนี้เกิดก่อนวิปัชนนาหลายพันปีได้ดูเถกะดาบทอราาดาบทได้ฌานสมบัติแโน้นเอาศิริธรไปศึกษาสำนักนี่ก่อนเห็นว่าแช่นี้ก็ยังไม่พอใจเจ้าศึกษาด้วยตนเองหลงทิศหลงทางไปมากมาย จะมาเห็นเนี่ยมาเห็นที่ประสูตร์เนี่ยเอกมร์เนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยีิสติเนี่ยดนหลักเนี่ยมันเข้าข้ามาเห็นกายเห็นใจแน่นอนมองกับแต่ก่อนมันไปข้างนอกตันนี้มามองกับบางทีปฏิเสธบาง ท, างทีก็ยอมรับเป็นสิรพุทธปล่อยสำคัญมั่นหมาย เป็นศิลป์พจน์เป็นจักิยทิฏฐิเป็นวิจิจิชาสงสัยอยู่ด้วยศิลปะตะปาลามา ต, ต่อมามีสติดูสกิยทิฏฐิไม่เห็นกายตามความเป็นจริงอะไรที่เกิดกับกายถือว่าตัวว่าตนเขดูเขาจริงๆมันไม่ใช่ตัวใช่ตนหลงกลหลง เล่ของกายอาใยสุกตายทุกข์ที่จริงเขาเป็นธรรมชาติก็เป็นอาการของเขาอยู่อย่างนั้นไม่มีใครเป็นใหญ่ได้เรื่องของกายลมร้องก็เป็นเรื่องของเขาความหนาวเป็นเรื่องของเขาความหิวเป็นเรื่องของเขาความปวดเป็นเรื่องของเขาเราก็ไปเอามาเป็นตัวเป็นต้นหรือว่าสกายทิศทิ น่าเห็นใบหวาเห็นเป็นรูปนี่คือรูปเป็นมหาภูตารูปเป็นรูปที่เขามีความเป็นปรมัติสภาวธรรมเขาล่อนเป็นหนาวเป็นทุกข์เป็นทุกเป็นหิวเป็นปวดเป็นไม่ใช่เราเป็นตัวเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดกับรูปแ้วก่อนเราก็หลงตรงนี้กันหว่ามาเห็นแจ้ง เป็นเป็นรูปธรรมเป็นธรรมชาติเป็นอาการจริงที่เกิดก้นกับรูปมีแต่ธรรมชาติหลงตัวมีแต่อาการที่ตามความไม่จริงมันหิวไม่เป็นมันก็ไม่ใช่รูปเกิดเหนื่อยไม่ล่าไม่เป็นมันก็ไม่ใช่รูปมันร้อนหนาวไม่เป็นมันก็ไม่ใช่รูป แสดงว่าเขาทำหน้าที่ตามสัจจะของเขาถ้าเาไม่มีเฉี่ยนี้เขาอยู่ไม่โลดเขาก็คิดหายตั้งแต่มันลูกอย่างนี้มันก็ยังคิดหายอยู่เขาก็ลู้สิ่งธรรมชาติอาการเพื่อควมอยู่โลดของเขาตามที่พอจัดคนไปได้ไม่เกินล้อยปีอันที่มันเป็นเช่นนั้นไม่เคยต้านทานได้ลูกเนี่ย จะให้มันเที่ยงอเป็นตัวเป็นตนเป็นใหญ่ของมันไม่ได้ากา็เห็นธรรมชาตินาการของเขาล้เห็นธรรมตามก็เป็นจริงกายสวรรค์กายไปเนี่ยวางลงแล้วเบาลงแล้ววางลงแล้วเวทนาที่เป็นสุขนทุกข์บังเป็นด่านที่บังทําให้เข้าไปถึงธรรมไม่เห็น ทำลายจักรยาทิฏฐิไม่ได้ทำลายฉีและประดาปรามาสไม่ได้ทำลายคนโมเลยสงใจไม่ได้เป็นการบ้านตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นออกมาเห็นแจ้งเข้าไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมมันก็เวียนอยู่นี่กระบวนการสลับซับช้อน มันก็ปิดบังปัญญาที่รู้แจง้งแต่ถ้าเราเขียนพยายามศึกษาทะลุย่อยออกมันก็ทะลุทะลวงสิ่งที่ยังไม่รู้ก็รู้ได้สิ่งที่ยังไม่เข้าใจก็เข้าใจได้สิ่งที่ทําไม่แจ้งยังไม่แจ้งก็ทําไม่แจ้งได้การแจ้งในกายในเวทนาในจิตในธรรม เรีว่าเข้าสู่วิปัสนนาลู่แจ้งวิปัสนนาเกิดจากการเห็นได้เห็นเวทนาเห็นกิจเห็นธรรมเห็นธรรมชาตินาการเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนของกายของเวทนาของกิจของธรรมมาลักวิปัชสนา ไม่หลงแล้วตรงนี้ผ่านไปได้แล้วไขคุณเจยแจ้โซ่หลุดออกไปไม่เอกกายมาเป็นสุขไม่ออกกายมาเป็นทุกข์ไม่เวทนามาเป็นสุขไม่เวทนามาเป็นทุกข์ไม่จิตมาเป็นสุขไม่จิตมาเป็นทุกข์ไม่เอาธรรมมาเป็นสุขเป็นทุกข์แม้จะมีกุศลไมีกุศลก็รู้แล้วกุศลคือความฉลาดความสงบ อกุศลกับความโง่ความฟุ้งซ่านมันก็เป็นใหญ่เราครอบค้นไปพอเมื่อพ้นจากสิเหล่า น, นี้ไปก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาความหลงกลายเป็นปัญญาปัญหากลายเป็นปัญญาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดจากการลอบรู้ในกองสังขาร กายคือเวทนาคือจิตคือธรรมเนี่ยมันเป็นกองอยู่เนี่ยมีธาตุมีขันอยู่เนี่ยหรือว่าปัญญาตัวคำรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาไม่ใช่ไปรู้ที่ใดปัญญาพุทธะเกิดจากนี้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานนิพพานคือมัน หมดไปแล้วมันไม่มีปัญหาแล้วอันนี้มันก็เป็นไปทำรองนี้อันกรรมฐานนี่มันก็ส่งไปจนถือสุวิปัญนาวิปัญนากรู้นแจ้งไปเห็นอะไรตามความเป็นจริงจึงช่วยลัดลัดหน่อยเขาเลยบอกว่าให้เป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นไปก่อนเป็นพลัง เลงเสริมเข้าไปเห็นกายน่ะเห็นเวทนาเห็นชีเห็นธารมมันก็มีหลงมีรู้มันรู้ก็เห็นน่ะมันหลงก็เห็นนั่นน่ะมันสุข ก, ก็เห็นนั่นน่ะมันทุกข์ก็เห็นนั่นน่ะง่ายๆดีถ้าไปเป็นระมันเสียเวลาจึงบอกชัชณนะพิธีเอาไปใช้ ให้มันแตกฉานเหมือนเราเรีย น, นิศตศนสร์มีโจทย์เกิดขึ้นเพราะเราอ่านโจทย์เราก็ตอบได้แล้วเหมืนเราเรียนปริยัติคันธทุละมันก็ต้องมีโจทย์เพื่อให้เรามีปัญญาในโจทย์นั้นไม่ใช่งูเวลาโจทย์เกิดขึ้นก็เป็นปัญญา ในกายในใจเรานี้ก็มีโจ์บางทีเราก็มีจำเลยของเขาอยู่เรื่อความหลงเป็นโจ์ชีวิตเราเราไปจำเลยตกความหลงยอมรับถ้าเราเรียนรู้ก็เฉลยได้ไม่ต้องไปจำนอนไม่ต้องยอมรับก็เลยเป็นที่สละในที่ปรากษาธุลาการ ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นโจทย์ผมไม่เที่ยงกวาเป็นทุกข์ความม่ใช่ตัวตนเป็นโจ์ของชีวิตเราเราต้องไม่เป็นสล ะ, ะเรื่องนี้กานไม่ยกเว้นใครเราจะมาพิภากษาให้มันเป็นธรรมขึ้นมาความหลงไม่เป็นธรรมเลยความรู้เป็นธรรมขวา ความทุกข์ก็ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมกลัวความโกรธก็ไม่เป็นธรรมก็ไม่โกรธนี่เป็นธรรมเรียกว่าความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับชีวิตลองถ้าเราไม่มีความเป็นธรรมในชีวิตของเราแล้วจะหาความเป็นธรรมที่ใดก็หมายพภตกในชาตินี้ถ้าเราอย่งเบียดเบีย น, ยนตนแดงอยู่ห า, าความสงบร่อมเียนต่อสังคมประเทศชาติ ก็หาได้ยากก็ต้องโต้ที่เรานี่แหละเราจึงเป็นหน้าที่ของเราเป็นงานบุญศึกษาธรรมะเนี่ยปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมมจรินเนี่ยเป็นงานบุญมันก็รักความช่วยทำความดีอยู่แล้วให้เข้าสู่ทางศีลทางธรรมไปดำเนินวิตไปตั้งแต่ดุ น, น้อยน้อยเนี่ย จะมีความสมบเป็นศสลาาปะเปนนานถ้าเราไม่ศึกษามก็จะเป็นภาระไปในอานาน พ, พ่กคูนไปเรื่อยๆจนเป็นเปรต เ, เป็นสลกายเป็นสัตว์ลกปายโนดมันจะเล่นเ น, นุศนมีเหมือนกันทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายถ้ามนจเจริญในกุศนแล้วทำชั่วได้ง่ายจะทำดีได้ยาก ว่ามาันเจอในกุศลทำดีได้ง่ายทับชั่วได้ยากเราก็กลับการแนวการใช้ชีวิตของเราเป็นไปเพื่อการไม่เบีย่ยแปนตนและเป็นไปเพื่อการไม่เบีย่ยแปนคนอื่นก็เป็นเช่นนั้นเราอยู่ร่วมกันสันติภาพสงบร่มเย็นแล้วก็เป็นสัตว์สังคมไ ม, พ ม, ม่พ่อไ ม, ม่แม่พ่อแ ม, กม่ก็ไม่ลูกไม่เต้าไม่หลานเหลน พี่เม่น้องมันก็มีผลกระทบในทางดีได้ในชีวิตของเราเกี่ยวข้องกันอยู่เป็นสายเลือดบางทีเราอยู่วัดเรามีลูกมีห ล, ลานพันยาสามีอยู่บ้านเขาก็หวังพึ่งเราอยู่คิดเขา ว, ว่าเราเป็นลูกชายของพ่อของแม่มาบวชแล้วหวานกับว่าพ่อแม่หวานไม่เล็ดพืชหลงไป หวังข่วงมอกงามไพยบู์ของลกูวกวบจะเป็นคนดีปัญญาสามีมาปฏิบัติผู้อยู่บ้านก็หวังพึ่งคงจะเป็นคนดีสุขใจไม่ใช่ไปเที่ยวตีเล่รอนฐานความคิดก็ต่างกันก็เย็นใจตั้งแต่เราบอกว่าจะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้ชีวิตของสัตว์สังคม มนุษย์คนเราเนี่ยมันแยกกันไม่ได้ไม่ใช่เราคนเดียวโบราณท่านจึงว่าภาษาอีสานนะแต่ฟังลูกหรือไม่ลูกก็ตามใจพ <laughs> ระสาอีสานบ้านจีนามาขำป้องไปฆ่าข้อมังมังบวชฉี่สามเมือ่อตายตายแตายตา ย, ตายแล้วเห็นา น, านุ่มฝนนองน้อมรู้เรื่องไหมไม่รู้ <laughs> ฟ้านกินหมากขำป้อมฟานคือจัดอยู่ในเนี่มันกินหมากขำป้อมอยู่หลงจากหอใจมามีต้นขำป้อปมอย่างนี้มันกินหมากขำป้อมอยู่แต่มไปคาข้อมั่งมังไม่ใช่ฟานนะเป็นกวางที่ไม่มีเขาเรียกว่ามั่งเออมั่งกัมั่งไปคาข้อมั่งมั่งอันไม่ขี้ ไม่ถ่ายเลยก็ ต, า ย, ยตายไปตายไปก็ตายตายแล้วแทนที่จะตายมันจะเน่ามัาเน่าเห็นรูปนั่นเห็นรูป ม, มันมีกลิ่นหอมแต่มันไปเน่าอยู่นั่นทำไมตัวนี้ทําแล้วตัวนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ตัวนี้ทําไมสี่ตัวทําไมเป็นอย่างนี้อ่ะรู้เรื่องไหม <Okay. S 1> <laughs> อาชาอีสานฟานจินมาขามป้อม ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนเราเนะี่ยเป็นลูกของพ่อของแม่ไปทำชั่วไปเจ็บใจใครฮนะถ้ลูกทำความชั่วใครเป็นคนทุกข์พ่อแม่เป็นคนทุกข์ไปคาที่ไหนละ่ะตัวลูกเป็นการททำไปคากับใครฮนะไปคาอยู่กับพ่อมาเฮีย ทุกใดๆไม่ทรมานจิตใจพ่อแม่ถ้ากับลูกกว่าพืชชั่วเสื่อหายแมนบอ๊อผมีลูกเป็นเต่าขาไหมาขาคอไหมลูกเป็นคนชั่วหรอาขาคอนั่นแล้วทุกใดๆไม่ทรมานจิตใจพ่อแม่ถ้ากับลูกกว่าพืชชั่วเสื่อหายทุกใดๆไม่ทรมานจิตใจของสามีพัญญาเท่ากับสามีพัญญาเป็นคนชั่วเสื่อหาย อะไรก็ตามต้องเป็นอย่างนี้ในโลกนี้ร้านบา่ขี้สมงหมื่นตายตายัว า, านโดนันถ้ามันไม่ขี้ออกมันกินแล้วมันต้องขี้มันทำชั่วแล้วมันต้องละอย่าไปทำอีกต่อไปอยอมรับเอาละก็ครับแม่ฉ่าลูกชายลูกสาวของพ่อของแม่คนนี้จะไม่ชั่วยอีกต่อไปอย่างนี้ ถ้าไม่ขี้ออกก็ตายก็ตายก็หมูยา่าทั้งหลายกระทบกระทืนไปหมดก็เหมือนว่าจิ่งจบตัวหนึ่งตายลงไปในโอ่งน้ําอ่งน้ําได้ใหญ่แท่งน้ำใหญ่จิ่งจบตัวเล็กแค่นี้ไปแช่หัวน้ามันตา ย, ยน้ํำในโอ่งในแท่งก็เน่าไปเลยตะกูลนั่นเน่าไปเลย เสียหายไปเลยเป็นที่หลังเกียดของคนท้องหลอยงานว่าบางทีมีประวัติด้วยเขาสอบประวัติมัมีอะไรคนตระกูลเนี่ยก็มีเป็นอย่างนั้นมาอย่างตะรวจสอบสวนอยู่ข้อดีออต่างๆคาับสอบดงหลวงตาพาผีบ้าไปรักษาไอ้หมายเนี่ยเราก็สอบประวัติตากลุ่รูปประวัติเขา เพราะว่านี่จะเห็นแต่น้องชายมันก็เหมือนนี่ยเพราะว่าตะโกนเนี่ยก็เลือบ้าเลือดรักษาไม่ได้อ้าบ้าที่มันเป็นประสาทเนี่ยรักษาได้อยู่ใครเป็นโรคประสาทเอามานี่ยเอามาชุกโกโตเนี่ยแต่บ้าเลือดรักษาไม่ได้เช็ดไอ้หมายไอ้หลายอยู่เนี่ยเราไม่ได้ล่ะ <S <S ตะกูลมาตระโกล ม, มันเป็นสายเลือด <S <S <S เราเนี่ย จะตัดออกไปเลยชิ้นกรรมไปเลยนยะให้มั่นใจนะ่จากตะโกลของพรธิของกษัตริย์จตโทธนะแล้วก็มีการถือกันหลายอย่างจิตะทะปฏิวัติเลยปฏิวัติในวรรณะต่างๆประสาททามแพร่โศจิตตทะก็ มาเหน็นเกิดเกิดเจ็บตายเอา้ากิสัตว์ก็ตายเป็นถามก็ตายเป็นแพทย์ก็ตายเป็นจันทานสูตรก็ตายเป็นมันเป็นเพื่อนเกิดเจ็บตายด้วยกันปฏิวัติออกอวดกิสัตว์เขาจะเก้าผมเจียเถาะปนผมทิ้งเลยเคยใส่เช็ดดาเคยใส่เกียกแก้วถอดทิ้งห่มผ้าสีฝาด ปฏิวัติเลยโอ้จินจนพระเจ้าสโสทนาโกรธอ่อยคนทั้งโลกเลยขอร้องมาให้อุ้มบาศขอทานมันจะเป็นจันทานแมงปฏิวัติเราเรานี่ปฏิวัติยกนิ้วเราเนี่ยโลกข้อนี่แม่นี่เราละคนหนึ่งะให้ ช, ชี้จงในการแต่ผิดช้บเชิดชูตระกูลของเราให้ดี เหมือนดอกมะลิดอกเดียวใช่ไหมไปรอแย่ยน้ำเนี่ยหอมไหมน้ําหอมไหมหอมไปเลยเนี่ยเขาเปรียบเทียบกันก็ตไยก็เน่าไปตายก็ตา ย, ตา ย, ต, ายตายแล้วเห็นร่มเน่าโอเจ้าพว้มดีก็เน่าไปเเหมือนคนอินเดีย่นะก็คนเดียเนี่ยผู้หญิงต้องไปแต่งผู้ชายนะ ผู้ชายนี่ต้องสงบเสียมากที่สุดเลยเพราะแม่ต้องดูแลรักษาอย่างดีแล้วก็มีตระกูลด้วยพ่อตระกูลนี้มีสาวๆไปแต่งเอาเขาก็ดูสิ่งเวดลอ้อมถ้าหญิงสาวคนไดได้สามีที่ดีเขาจะโชว์ท่องหน่อยๆเหน็นเขาใส่ ช, ชุดสาลีไหม โชทองก็มีก้อนเนื้อจักหลันหนังโ ว, ว้ให้มคีความสมบูรณ์พนสุขมีความสุขมีอยู่มีกินไม่อดไม่หยาบแสดงว่าถ้าหญิงใดมีสามีแล้วจะรู้สึกว่าอ้วนทวนสมบูรณ์สามีเขาดูแลรักษาดีตระกูล น, นั่นถ้าเราดูผู้หญิงกัญญาของตระกูล น, นั้น ไม่ลูกชายจีกนจะไปขอบางบทเลยแล้วหวังเพิ่งเนี่ยแล้วอีกอันหนึ่งสามีคนใดที่ออกจากบ้านไม่มีห่อข้าวไม่มีน้ำไปกินจะแสดงว่าตระกูลของหญิงคนนั้นไม่ดีดูแลสามีไม่ดี <c oughs> ก็ไม่มีใครต้องการมาขอโขอไอาไม่เอาขาดูไปแล้วดูไปถึงผงเผ่าเราก ถ้าสามีคนใดออกจากบ้านไปไม่มีห่อข้าวไม่มีข้าวกินแสดงว่าพัญยาไม่เอาไหนเลยเป็นคนเี็บข้าวไม่ทำหน้าที่อะไรเลยอันนี้เขาก็ดูกันว่ามันจะเป็นสารไปตระกูลที่ดีก็หอมไปเหมือนดอกมะลิตระกูลใดที่มาดีก็เหม็นไปเหมือนซากขี้จกรออยู่ในตระกูลเนาะ ป้านจิมากามป้อมไปค่าข้อมังมงบ่ขี่สามมือตายตายก็ตายแต่แล้วเห็นโอมเหนาน้อันนี้คำโบราณท่านท่านพูดอะไรไม่รู้แต่ว่าเรามาปิดสนามาวิตปริทัดเราดูมันก็ได้ความอย่างนี้แน่นอนที่สุดเลยเราวนี้ก็มาอยู่คนเดียวอยู่ร่วมกันเราอยู่ในสาวาทนี่สามเดือนไม่ใช่สามเดือนเลยตลอดชีวิต แตางตาอยกับลองอเทียนชิจิปกรเพียงยังเป็นสัญญาลึกๆในหัวใจเราเป็นภาพที่เรายกกรว่ายตัวเองได้บางโอกาสเดินจงกรมใ ต, ตขขม้ต้นขาขี้หมูต้นขาขี้หมูต้นเย็นเย็นเดินจงกรมระปร ะ, ประมวลมีการเกิดอะไรขึ้นกับทีมเรานอกจากลังไปนั่งทำก็เพียนอยู่ กติหลังหนึ่งทิศเหนือของกติหลวงพ่อเทียนฝ่ากติหลังนั่นน่ะเอาหีบศพมาปูนอนเอามาเป็นฝา่าเวลาเขาหีบศพมาเผาไปขอเขาก็ดานหีบศพไปขอเขากดด้าที่เขาติดไว้หลายๆเลยๆไม่จะออกเลยมาตีฝา่าเจอกติหลังนั่นนะไม่พื้นก็เอาหีบศพมาปูนอน เราก็ทำแปลกๆนะ้วานก็ทำให้ชิดเราเปลี่ยนแปลงไปปกติร่างหนึ่งก็ทางทิศ ต, ตวันตกเขียงท้้ย้าเราทำความเพยียรแล้ว้วทำไมมีสัญญาลึกๆเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พระพุทธยอดกลายเป็นราชพัฏเ์มองเลยแล้วก็ยกมาสร้างใหม่แล้วก็มีสัญญากับหลวงพ่อเทียนสี่สิบกว่าปีสัญญานี้ อยากไาอยู่กับเราตามมาถึงตรงฝันจุลาตอนเราใจจะขาดหายใจไม่ได้มีสัญญาก็หลงก็เถียงนะมันไม่ใช่อยู่กับร่วมกันเพียงสามเดือนนะเราอยู่กันไปเลย